นี่มาขึ้นยาณนะต่ออีกเลยนะยาณะที่สิบห้าวัตถุนานัตยานุเทศก็คือยานที่กําหนดความต่างของวัตถุทั้งหลายวัตถุนี่คืออะไรบ้างวัตถุก็คือตาหูจมกูกลิ้นกายและใจอันนี้เรียกว่าวัตถุนามรูปวัถฐานนยาณท่านยังไม่ได้กล่าวไว้กรรมยานที่กําหนดนามกําหนดรูปเนี่ยยังไม่ได้พูดเอาไว้ เพราะฉะนั้นเพื่อจะแสดงประเภทแห่งนามรูปห้าอย่างในบับนี้จริงๆก็บอกว่านามห้าออภัยรูปห้านามหนะ น, นึ่งะในแบบนี้จึงมีคำว่าอัชะตะวัฏฐานปัญญาวัตถุนานัตเตยานังปัญญาในการกําหนดธรรมะภายในเป็นวัตถุนานัตตยาจจิงอยู่ในนามรูปทั้งสิ้นที่กล่าวแล้วนามรูปใดอาจที่จะกาหนดได้ และนามรูปใดควรกำหนดก็จะ ก, กำหนดนามรูปนั้นส่วนนามที่เป็นโลกุตระไม่อาจที่จะกำหนดได้เพราะยังไม่บรรลุและไม่ควรกำหนดเพราะนามที่เป็นโลกุตระไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาคือไม่ใช่อารมณ์ที่จะพิจารณาโดยอา น, นิจจังทุกขังอนัตตาการพิจารณาอา น, นิจจังทุขังอนัตตาเพื่อประโยชน์แก่การบรรลุอริยมรรคเพราะฉะนั้นตัวมรรคผลก็ไม่จาเป็นจะต้องไปพิจารณาโดย อันนี้จังทุกขังอนัตตาทีนี้กล่าวถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องนามรูปเนี่ยนะนามรูปใดที่กำหนดรู้ได้หรือกำหนดชัดก็เน้นเอานามรูปนั้นเป็นเป็นหลักเนี่ยนะเป็นเกณฑ์ส่วนนามมาธรรมที่เป็นโลกุตระก็ไม่ต้องไปเจริญไปกำหนดอย่างเช่นร่างกายเนี่ยนะปกติก็พิจารณารูปประคันใช่ไหมรูปประคันคืออะไรก็คืออาการสามสิบสองเป็นต้นผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูก ในอาการสามสิสองเนี่ยพิจารณาทุกอย่างแต่อาจจะชํานาญอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็ถามว่าของเราเนี่ยบางคนเนี่ยชานาญอะไ ร, ผ, ร, าาร 32, ผู้การบอกอาการสามสิบสองการบอกอัฐิอัฐิกระดูกกระดูกนะก็ดีนะเท่ากับนกแขกเต่าแล้วก <c oughs> <c oughs> เออจริงนะในคัมภี์ท่านว่ากั้นนะในนกแขกเต้าใช่ไหม <c oughs> นกแขกเต่าเขาให้เจริญอธัธกศสัญญานะ ก็ก็สาธายายว่ากระดูกกระดูกกระดูกอธิอธิอธิอธทีนี้มีอยู่วันหนึ่งนะเหยี่ยวมันข้าไปพอเหยี่ยวมันข้าไปเนี่ยก็ตอนหลังก็จับมาได้เรียกนกคืนมาได้ก็ถามว่าไงถูกเหยี่ยวข้าไปนี่คิดยังไงบอกว่ากระดูกข้ากระดูกกระดูกข้ากระดูกไม่รู้กระดูกจะไปได้่ยวรายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมงอนกันนะเออนะแเข้านึกว่าเข้าโง่ น, นะนึกว่าท่องแต่กระดูกกรนะดูกแค่เฉยไงฉลาดขึ้นตั้งเยอะนะครคิดเรื่องกระดูกมากมาก เออนี่นะกระดูกข้ากระดูกจะไปกระจายกระจายอยู่ที่ไหนเนาะจะไปเกลื่อนอยู่ตรงไหนเนาะนีเออถ้าไม่จะถ้าคิดอย่างนั้นจะตกใจไหมไม่ตกใจอ่ะนะไม่ไม่ตกใจอะ่ะเหยี่ยวข้าไปนกยังไม่ตกใจเลยอะ่ะเพราะอะไรเพราะเจริญอัธิกสัญญาผู้ที่เจริญอธิกสัญญาเนี่ยนะถ้าจนชํานานจริงๆเห็นเขายิ้มเห็นฟันปั๊บเนี่ยโอ้โหโครงกระดูกมาหมดเลยเหนนะผู้การบอกว่าดูที่เบ้าตาแล้วถ้าเห็นชัดเพราะนั้น ก็สามารถที่จะตรัสรู้ใช่อัตถิอัตถิสมุทัยอัตถินิโรธอัตถินิโรธาามินีปฏิปทาถ้าแทงตลอดบทอันนี้ได้ก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ใช่หจริงอัตถิเนี่ยก็ถ้าเราจะเจริญพุทธคุณนะอัตถิพระองค์กำหนดรู้แล้วด้วยปริญญาสามอัตถิพร้อมทั้งปัจจัยพระองค์กำหนดรู้แล้ว อัตถิพระองค์กําหนดแล้วโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังโรคซ้อนเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนเนี่ยนะพระองค์ก็พิจารณาแล้วนะทีนี้พระองค์พิจารณาอัตถิโดยความเป็นของไม่เที่ยงพระองค์ก็ละนิจจสัญญาพระองค์พิจารณาอัตถิโดยความเป็นทุกข์ก็ละสุขาสัญญาพิจารณาอัตถิโดยความเป็นอนัตตก็ละอัตตาสัญญา พิจารณาอัตถิโดยความเบื่อหน่ายพระองค์ก็ไม่เพลิดเพลินในอัตถิพิจารณาโดยคลายกำหนัดพระองค์ก็ไม่เยือกถือพระองค์พิจารณาโดยความดับพระองค์ก็ไม่มุ่งที่จะสร้างอัตถิแล้วพระองค์ก็สลละคืนอัตถินั้นได้โดยที่ตัดฉันทราค้าในอัตถิอันนั้นเป็นปหานะปริญญาของพระองค์ดังนั้นอัตถิสมุ ท, ทยัยพระองค์ก็กำจัดแล้วโดยประการทั้งปวงส่วนอัตถินิโรธเนี่ยนะอาสังคตะธาตุธรรมะที่ดับอัตถิโดยประการทั้งปวงพระองค์ก็ แทงตลอดแล้วดังนั้นตัวที่แทงตลอดอัติอัติสมุทัยอัตินิโรธอัตินิโรธาคาม่มีปฏิปทาอันนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิการที่ตรึกตรองไข้ครวรตามความเข้าใจอันนี้เป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาพระองค์ก็เอาเรื่องอัิเนี่ยมาแสดงเนี่ยนะสัมมากรรมันตะพระองค์ทํำยังไงก็อย่างยกมือยกแขนก็คือยกอะไร ก็ยกอัฐิโดยที่ไม่มีอาคุศนเป็นสมุธฐานเลยนะการขยับอัฐิของพระ อ, องค์ทั้งหมดเนี่ยนะไม่มีอาคุศนเป็นสมุธฐานแม้แต่หน่อยเดียวแล้วพระ อ, องค์ก็นะมีสัมมาวัคคมมันตะเช่นการเดินจงกรมการเจรเินกรรมฐานเป็นต้นเนี่ยนะพระ อ, องค์เป็นผู้ที่พักผ่อนน้อยมากอัฐิของพระพุทธเจ้าอยู่ในอิริยาบดยืน อ, อิริยาบดนั่งมากกว่าอย่างอื่นนะยืนก็พอสมควรเดินก็ ก็พอสมควรแต่นั่งเนี่ยมากเพราะพระองค์หลับน้อยมากานี่นะก็เป็นเป็นผู้ที่ใช้อัฐิได้อย่างคุ้มค่าจริงๆนี่ยนะมันก็เราทั้งหลายก็ได้นับถือผู้ที่พ้นจากวัตรทุกข์ได้ก็นับว่าเป็นผู้มีบุญมากแล้วแล้วพระองค์มีความพิเศษหนึ่งนะพระองค์มีอัฐิแล้วเข้าปฐมฌม า, านได้แล้วแปลงอัฐิไปเป็นกสินเข้าฌานสี่ได้เพิกอัฐีเป็นอรูปสมาบัติ เอเป็นอากาศแล้วก็เข้าอารูปสมาบัติต่อไปได้พวงพิจารณาอธิโดยอ น, นิจจังเป็นต้นแล้วเข้าพระสมาบัติได้นะก็เกี่ยวกระดูกอย่างเดียวนะพะองคมีเครื่องอยู่เยอะแยะไปหมดเลยมันก็ผู้ที่รอบรู้กระดูกนี่คือรอบรู้กายในวัในวัตถุภายในห้านะตาหูจมูกลิน้นกายก็คืออยู่ในประเภทกายเจ็บเนื้อกับเจ็บกระดูกเจ็บไหนมากกว่ากันเจ็บกระดูกมากกว่ากันมันกระดูกก็นับเนื่องใน กายใช่ไหมกายย่าภาษาท่ก็มีในกระดูกนะนะกระดูกหักก็เจ็บกว่าเจ็บกว่าอย่างอื่นนะเนี่ยเจ็บกว่าเป็นแผลเนื้อฉีกขาดก็ไม่เจ็บเท่ากับกระดูกหักเพราะอัฐิคือกายเนี่ยนะกายคืออัฐินี่ก็สําคัญเป็นอย่างมากก็บุคคลเป็นที่ตั้งแห่งตันหาก็เนื่องจากว่าอัฐิมันบริบูรณ์ใช่ไหมอัฐิไม่บริบูรณ์ก็เป็นที่ตั้งแห่งอย่างอื่นเนี่ยนะเพราะอัฐินี้สําคัญมากนะในโครงสร้างทาง สรีระเนี่ยจะลุกจะเดินจะเหินได้ดีเป็นต้นก็อาศาายัอาศาายอาาายัฐิเป็นสําคัญจะสูงจะต่ําก็เป็นมีอัฐินั่นแหละเป็นถ้าพิจารณาอัฐิก็เท่ากับพิจารณาแข่นของร่างกายใช่ไหมว่าไม่มีอะไรจะแข็งกว่านี้อีกแล้วในร่างกายเนี่ยเว้นฟันซะฟันกับกระดูกเนี่ยแข็งกับเพื่อนหน่อยั้นถ้าพิจารณากระดูกและอย่างอื่นก็มามาฉาบมาทามามารัดมารึงมาอะไรอยู่เท่านั้นเองใช่ไม้มถ้าพิจารณาอัฐิได้มากจริง ๆ, ๆก็ มีอยู่ใน พ, พุทธเจ้าที่สอนถึงทา ว, วตีตะปธรรมบางทีก็สอนให้เจริญอัติกะสัญญาเป็นต้นเป็นธรรมที่ควรเจริญนะแล้วก็ในสัมมรประธานข้อที่ว่ารักษากุศลที่เจริญไว้แล้วไม่ให้เสื่อมหายก็คือจะเจริญอธิกะสัญญาก็รักษาไว้ให้ดีอย่าให้หายนะก็นี้มีอุปการะมาก เรนถามคุณเจ้าครับในอาการ42นะครับมีหลายอาการซึ่งเป็นธาตุน้ําอย่างเช่นเลือดนะครับแสดงว่ามีสีส ม, มุทฐานเนี่ย44รูป <จน S 1> าการย่อยาสารรูปนี้จะมีในเลือดด้วยหลืครับคือเนื่องจากว่าเลือดนี่มันโคจรไปทุกขนทุกแห่งเลือดนี่มันอยู่ทุกคนทุกแห่งใช่ไหมแม้แต่พวกเส้นประสาทเนี่ยนะเส้นประสาทมีเลือดไปหล่อเลี้ยงไหม เมื่อเมื่อเส้นประสาทเนี่ยมีเลือดไปหล่อเลี้ยงเลือดที่อยู่ร่วมกับเส้นประสาทก็นับเนื่องในในกายด้วย เ, 4, 4. เนี่ยนะก็นับเนื่องเป็นกายด้วยสเลดก็สี่สิบสี่รูปเออสเลดนี้สเลดเนี่ยเป็นภาษาไทยทางทางการแพทย์เรียกว่าน้ำคัดหลังมันไม่ใช่ที่เราถมออกมาเนาะไม่ใช่แต่หมายถึงน้ำคัดหลังที่เช่นน้ำคัดหลังในลำไส้ทั้งหลายแหละเนี่ยนะ ขัดไปขัดมาเพราะว่าในร่างกายส่วนไหนนิ่งส่วนนั้นจะเน่าพราะฉะนั้นในร่างกายมันมีการไหลเวียนตลอดแม้กระทั่งลำไส้เนี่ยนะน้ำในลำไส้ทั้งหมดมันก็จะขยับกันตัวกันตลอดมันมีการซึมเข้าซึมออกซึมเข้าซึมออกอย่างในหลอดอาหารทั้งแต่เรากลื่นลงไปเนี่ยนะเพราะในการปริมาณน้ําซึมเข้าซึมออกไหลเวียนในในในในกระเพาะเป็นต้นหรือในหลอดอาหารในลำไส้เนี่ยเป็นบาทอย่างคำพี์ท่านว่า อย่างที่เรียกว่วาน้ําตาวันหนึ่งเนี่ยนะถ้ามันไหลเวียนเนี่ยเขาคํานวณได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยน้ําตาจะไหลเวียนประมาณเท่าไหร่หรือในกระทั่งน้ําลายวันหนึ่งมันควรจะออกเท่าไหร่เขาสามารถคํานวณได้ใช่ไหมวันหนึ่งกี่ลิตรอย่างเงี้ยนี่ยค น, น, นวณได้แล้วทั้นน้ําคัดหลังเนี่ยคำพีท่านคำนวณให้แล้วว่าวันหนึ่งก็ประมาณบาทหนึ่งอะที่มันไหลเวียนเนี่ยนีก็เป็นกลุ่มเ ร, เรียกว่าน้ําคัดหลังไม่ใช่ไอิสเลยที่เราถมมาทิ้งเรียกว่าน้าลายอันนั้นเป็นเขโลเเคละเนี่ยนะซึ่งไอ้คําว่าสเลดนี่จะต่างจาก แต่สมัยทางแพทย์บางทีก็เรียกว่ากลุ่มเสลิดนะยาแก้ไอก็ใช้เป็นยาขับเสลิดก็คือตระกูลขับเสมหะหรือตัวเสมหะอันนั้นตหมายถึงน้ําคัดหลังที่อยู่ในกายพวกนี้เนื่องจากว่ามันซึมไปอยู่ทุกขนทุกแห่งเนี่ยนะก็เลยเรียกว่ามันมีกายภาษาธาตะอยู่ด้วยเนื่องจากว่ามันซึมไปทั่วทุกแห่งไม่มีที่ใดที่น้ําเนี่ยนะไปหล่อเลี้ยงไม่ถึงเนี่ยนะน้ำที่หล่อเลี้ยงไม่ถึงนี่หายากกันที ทีนี้มาดูกล่าวต่อไปว่าบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าอัชตะกวัฏฐานีคือกําหนดในธรรมะภายในคําว่าอัชตะที่แปลว่าภายในเนี่ยนะเพราะอาจว่าทําตนให้เป็นอธิการอธิการก็คือเป็นใหญ่เป็นไปโดยประสงค์อย่างนี้ว่าเมื่อเราเมื่อเป็นอยู่อย่างนี้ก็จะถึงการยึดมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนสิ่งที่เรายึดมากๆเลยเนะียยึดตาหูจมูกลิ้นกาย ใจเนี่ยยึดมากที่สุดถ้าเทียบกับสีเสียงกลิ่นรดโพธาพะใช่ไหมสีจะเสียไม่เป็นไรใช่ไหมขอให้กายยังอยู่ น, ยนะนะอายตนาภายนอกบางส่วนจะเสียไม่เป็นไรขอให้อายตนะภายในยังอยู่เพราะนั่นออา ย, ยตนาภายในอันนี้อัตตะก็เลยเหมือนกับเรียกว่าเป็นเป็นตนใช่ไหมเรียกว่าเป็นตนแล้วอัตัตตะเนี่ยนะเหมือนกับว่า มันของตนหรือมันเป็นตนจริงๆอ่ะนะเหมือนกับว่ามันเป็นตนแต่จริงๆมันก็เป็นของที่ว่างเล่าใช่หเพราะมีอายตนะภายในเหล่านี้นี่แหละสัตว์ทั้งหลายจึงสำคัญว่าเป็นตนบ้างเป็นของตนบ้าง